ที่เรียนภาษาไทยคงรู้ว่าภาษาไทยนี่รุ่มรวยไปด้วยสำนวนนะสำนวนหรือคำพังเพยมีสำนวนหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยนะคือตบมือข้างเดียวไม่ดังหมายความว่ายังไงตบมือข้างเดียวไม่ดังหมายความว่าทําอย่างเดียวหรือทําฝ่ายเดียวย่อมไม่เกิดผลเช่น มีคนมาต่อว่าเราด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับการทะเลาะวิวาสก็เกิดขึ้นไม่ได้สำนวนนี้เนี่ยก็มีนัยยะว่าจะเกิดผลได้เนี่ยมันต้องมีสองฝนะ่ายร่วมมือกันนะร่วมมือในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงว่าด่าใส่กันก็ได้นะ ในกด่าในขอในขอก็ด่านในกอมันก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นให้สังเกตในการทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันมีแค่ฝ่ายเดียวนะที่ดา่ดาดา่ดาดา่าด่ได้ฝ่ายหนึ่งนงเนี่ยมันก็ไม่สามารถจัดลุกลามเป็นการวิวาทกันได้ นที่จริงแล้วนอกจากการทะเลาะวิวาสแล้วเนี่ยยังรวมถึงปรากฏการณ์อื่นๆด้วยนะเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยคนเรามักจะเข้าใจว่าจะเจ็บป่วยได้เจ็บป่วยได้ก็เมื่อมีเชื้อโรคเชื้อโรคจะเข้ามาสู่ร่างกายทางไหนก็ตามเนี่ยทางตาทางจมูกทางอาหารทางผิวหนัง แต่ที่จริงเชื้อโรคอย่างเดียวนี้ไม่ทำให้เจ็บป่วยนะจะเจ็บป่วยได้เนี่ยก็ต่อเมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันไม่ทำงานหรือว่ามันอ่อนแอหรือว่ามันบกพร่องนะในตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคหลายชนิดเลยนะแล้วก็อาจจะรมถึงวัณโรคด้วยคนหนึ่งในสามทั่วโลกนี่มีเชื้อวัณโรคอยู่ แต่ทำไมไม่ล้มป่วยกันเป็นเบื่อนะก็เพราะว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายนี่มันเอาอยู่ก็ทําให้ถึงแม้ในร่างกายของเรามีเชื้อวันณโรคแต่เราก็ไม่ล้มป่วยนะอันนี้ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังแต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายของเราเกิดอ่อนแอขึ้นมา เชื้อเนี่ยมันถึงจะทำให้เจ็บป่วยได้เช่น chiv chiv นี่มันมาเล่นงานกับภูมิคุ้มกันร่างกายของเราโดยตรงเลยนอกจากความเจ็บป่วยแล้วนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนี่ก็ยังใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยเช่นความสุขเนี่ยหรือความทุกข์คนเข้าใจว่าเนี่ยเออจะสุขได้ถ้าไปดูหนังถ้ากินอาหารอร่อยถ้าได้ไปเที่ยวฟังเพลงเพะเนี่ย จึงจะมีความสุขอันนี้เนี่ยมองด้านเดียวนะเพราะว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเสพอะไรเท่านั้นแต่มันยังขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยพร้อมหรือว่าร่วมมือด้วยหรือเปล่าเช่นกินอาหารอร่อยเนี่ยแต่ว่าใจกำลังกลุ่มอกกลุ่มใจนะกำลังเศร้าเ พ, พิ่งถูกคนดา่า ถูกแฟนทิ้งกินอาหารที่แพงแค่ไหนก็ไม่รู้สึกอร่อยหรือว่าไม่รู้สึกมีความสุขเพลงจะเพาะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าใจลอยใจไม่ไปรับรู้หรือว่ามีความกังวลเรื่องสอบนะมันก็ไม่มีความสุขนะไปเที่ยวถึงอเมริกาญี่ปุ่นนะ แต่ว่าใจเนี่ยผวงถึงพ่อแม่ที่ป่วยหรือว่าผวงถึงลูกนะว่าจะสอบเข้าได้ไห ม, ไมก็ไม่มีความสุขนะแม้จะเสียเงินไปเป็นแสนอุตส่าห์ไปถึงต่างประเทศไกลๆ ก, ก็ตามเคยสังเกตไหมว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งปัจจัยสองปัจจัยคือภายนอกกับภายในนะภายนอกคืออาหารเพลงนะช้อปปิ้ง นะกระเป๋าสวยๆนะภายในคือใจที่มันมันเอออรหรือร่วมมือด้วยอาจจะรวมถึงความอยากด้วยก็ได้นะเช่นไปกินอาหารเนี่ยถ้าไม่มีความอยากนะมันก็กินไม่อร่อยการมีการสืนกินถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารรู้อาหารเหลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารรลายแห่งเขาก็ต้องมีการ กระตุ้นความอยากก่อนนะเช่นให้กินสุปกินอะไรนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นความอยากเพราะถ้ามีความอยากแล้วอาหารถึงจะอร่อยนะพ่อครัวปรุงอาหารเก่งแค่ไหนถ้าคนกินใจเนี่ยไม่มีความอยากหรือว่าใจมีความวิตกกังวลนะกินก็ไม่อร่อยไม่มีความสุขความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะความทุกข์เนี่ยมาไม่ได้ เป็นเพราะว่าแดดร้อนนะหรือว่ามีคนด่านะหรือว่าเจ็บป่วยหลายคนเป็นมะเร็งแต่เขาทำไมยิ้มได้นะอันนั้เป็นเพราะใจเขาเนี่ยนะไม่ไม่ได้ล้มป่วยตามไปด้วยมันป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจเขาเนี่ยนะยังมีสติหรือเ้าจะมองว่า จ็ป่วยนี่ก็ดีนะบางคนนี่ก็บอกขอบคุณขอบคุณมะเร็งเพราะมะเร็งทํำให้เขาได้มาพบธรรมะมีหนุ่มคนหนึ่งอายุ21นะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะลิวคเมียทีแรกก็คงทุกข์นะแต่ตอนหลังนี่ก็ตั้งหลักได้เขาไม่ได้ทุกข์แล้วเขาบอกว่าเหตุผลก็คือเพราะว่ามะเร็งเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้แกช่วยเขาหลายอย่าง เช่นทำให้เขาได้รู้จักธรรมะป่วยแล้วนี่ไม่มีอะไรทานอนก็เลยเอาหนังสือธรรมะเพื่อนให้มาก็ลองหยิบมาอ่านดูเออพุทธศาสนาหรือธรรมะนี่มันไม่ใช่อย่างที่เคยเข้าใจนะก็เลยซาบซึง้งแล้วก็ยังซาบซึ้งในความรักของแม่ของพ่อตอนที่ไม่ป่วยนี่ก็เฮิรนห่างกันนั่งอพ่อแม่ลูกแต่พอป่วยแล้วพ่อแม่กุศลมาดูแลไม่ได้หลับไม่ได้นอน เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นถึงความทุ่มเทของพ่อแม่ทราบซึ้งมากเข า, อาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยหรือมะเร็งเนี่ยทำให้เขาได้รู้จักคิดมากขึ้นนะถ้าเขาไม่ป่วยไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะคือเขานอนหอบพักงั้นเอาไหว้ได้นอนก็ตีสามาตื่นขึ้นมาบ่ายสามก็ เหลือหนังสือนิดหน่อยแล้วก็หลอเพื่อนไปเที่ยวกันนะกินเหล้าสนุกสนานเอาแต่ใจตัวไม่นึกถึงคนอื่นใช้ชีวิต อ, อย่างประมาทนะนี่ทําให้เป็นมะเร็งน ะ, เ, ะเห็นไหมว่ามะเร็งเนี่ยมันอาจจะทำให้เจ็บให้ป่วยกายนะแต่ว่าไม่ทําให้ทุกข์ใจเพราออะไรพ่อใจไม่ร่วมมือด้วยนะความทุกข์ใจเนี่ยมันต้องอาศัยสองอย่างนะ สิ่งภายนอกกับสิ่งภายในปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็คือจิตใจนั่นเองแดดร้อนก็ไม่ทาให้งุดหงิดใต้นะอย่างที่เล่าไปเมื่อสองสมวันก่อนเนี่ยบุรุษไปสนีนะทำงานกลางแดดนะรอคนมารับจดหมายแดดร้อนเปรี้ยงเหงือ่อเต็มหลัง แต่ว่าเขายิ้มได้ระหว่างที่เขารอเขาก็ร้องเพลงไปด้วยเจ้าของบ้านมารับจดหมายแล้วก็ถามว่าเนี่ยแดดร้อนยงนี้ทำไมยังมีอารมณ์ร้องเพลงเขาก็บอกว่าโรคร้อนนะแต่ว่าใจเย็นได้ครับนะผมร้องเพลงแล้วใจเย็นนั้นแดดร้อนนี่ทำให้ทุกข์ไม่ได้นะแม้แดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าไม่ทำให้ทุกข์ได้ต่อเมื่อใจเอออด้วย แต่ถ้าใจไม่เออ อ, อไม่ร่วมมือนะมันก็ไม่ทุกข์ใจนะเสียงเนี่ยนะเสียงด่าหรือว่าเสียงอ่อแทรกเนี่ยก็ไม่ทำให้หงุดหงิดไม่ทาให้เป็นทุกข์นะถ้าหากว่าใจไม่ร่วมมือด้วยเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยพอได้ยินเสียงดังปุ๊บเนี่ยเป็นทุกข์เลยหงุดหงิดเลยไม่พอใจเลยแล้วก็ไปโทษเสียงแต่ว่าลืมมองไปว่าเนี่ย ไอ้ที่ทุกเนี่ยที่หนุนยินเนี่ยพ่อใจมันร่วมมือด้วยหรือมันเปิดเปิดช่องให้เสียงนั้นมันมากระแทกที่ใจไม่ใช่แค่กระทบหูอย่างเดียวเราไม่ค่อยสังเกตนะว่าเป็นพ่อใจเรามีส่วนด้วยถ้าใจเราไม่ไปมีส่วนมันก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเสียงดังดังไปใจไม่ทุกแต่เพราะวางใจไม่เป็นนั่นแหละนะ จึงเกิดความหงุดหงิดเกิดความทุกข์เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปูบธธนะงป่บุตรานะหลวงปู่บุตราเทาวโรพวกเรานี่เกิดไม่ทันนะหลวงปู่นี่ท่านมารณภาพเมื่อ22ปีที่แล้วนะตอนมรณภาพก็อายุร้อยกว่าร้อยหนึ่งปีมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีคราของท่านได้รับนิมนต์ให้ไปฉันเพนในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงบุรีนะพอฉันเพนเสร็จก็จะกลับบ้าน โยมเห็นว่าท่านชรามากแล้วก็อยากให้พักก่อนก็เลยหาห้องให้ท่านจำวัดนะท่านก็เอหลังนะแล้วก็นอนนะระหว่างนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาสามสี่คนมานั่งเป็นเพื่อนก็มีการกระซิบกระซาบกันเวลาคุยกันก็กระซิบกระซาบนะไม่อยากให้เสียงมารบกวนหลวงปู่แต่ว่าบังเอิญไอห้อง ติดกันเนี่ยครูหาที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านขายของชํำนะเจ้าของนี่เป็นอาซิมนะคนจีนสมัยก่อนนี่เขาสวมเกี้เกี้ยไม้ไม่ได้สวมรองเท้ายางนะสมัยตมาเป็นเด็กก็ยังได้สวมเกี้ไม้เลยทั้งบ้านล่ะสวมเกี้ไม้หมดเกี้เนี่ยเวลาเดินเนี่ยมันดังมันก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุตราจําว่าลูกศิษย์ก็ ได้ยินก็รำคาญหงุดหงิดนะไม่พอใจนะพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับก็จริงแต่ว่าท่านรับรู้ตลอดก็เลยเปรยขึ้นมาเบาวๆว่าเนี่ยเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะถ้าไม่เอาหูไปลองเกีย้ยเนี่ยจะทุกไหมไม่ทุกหรอก เสียงดังก็ดังไปนะถ้าหูแม่ไปรองเกี้ยใจก็ไม่ทุกข์นะไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะใจไปร่วมมือด้วยหรือว่าไปหาเรื่องด้วยนะก็คือไม่มีสติหูมก็เลยไปรองเกี้ยนะมันก็เลยเจ็บหรือทุกข์ใจขึ้นมาทันเห็นไหมว่าเสียงดังนี่ไม่ทาให้ทุกข์นะเพราะว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะใจมันต้องร่วมมือด้วย ถ้าทำไมใจถึงไปร่วมมือด้วยในเะมื่อทําแล้วทุกนะก็เพราะว่าลืมตัวเพราะาไม่มีสตินะนั้นเวลามีใครด่าเราเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเนี่ยนะเราทุกไหมเราก็ไม่ทุกนะอันนี้ก็เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังนะด่าแล้วแต่ว่าคนถูกด่าไม่ได้ยินก็ไม่เกิดผลแต่ถึงแม้คนถูกด่าได้ยินนะ แต่ว่าทำหูทนลมซะก็ไม่เป็นทุกข์นะได้ยินแล้วนะปล่อยมันผ่านเลยไปนะไม่ถือสานะก็ไม่เป็นทุกข์แต่บางทีก็เกิดความไม่พอใจแต่ถ้ามีสติรู้ทันนะเห็นความโกรธรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วปล่อยวางได้ที่จริงรู้แล้วมันปล่อยได้เองนะ ก็ไม่ทุกนะหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งที่มรณภาพไปแล้วเราก็เป็นที่เคารพนับถือมากหลวงพ่อพุทธนิโยนะวัดป่าสารวันโคราชตอนหนุ่มท่านไปจำพรรษาที่อุบลนะวันหนึ่งบินธบาตแต่เช้าเห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งรอสายบาทนะยืนอยู่กับลูกชายห้าขวบได้ ท่านเห็นท่างก็เลยเดินไปรับบาตเกือบจะถึงแล้วลูกชายเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ามึงบ่แม่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงนี่ใครนะมึงก็คือหลวงพ่อพูดนั่นแหละนะมึงไม่ใช่พระตอนที่ได้ยินนี่ทีแรกก็ชุนเลยนะเพราะไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่มีใครเคยพูดอย่างนั้นกับท่านมาก่อนแต่ว่าทันทีก็ ก็รู้ตัวนะแล้วก็ได้สติขึ้นมามีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอความคิดนี้ว่าขึ้นมานี่ความโกรดนี่ดับวูบเลยแล้ท่านก็เดินไปหาแม่ของเด็กรับบาดอย่างปกติแล้ท่านไม่ได้โกรธเลยนะ ถูกด่าแบบนี้หลายคนโกรธนะแต่ว่าที่โกรธเพราะอะไรเพราะว่าใจมันไปร่วมมือด้วยนะหรือว่าใจมันเปิดทางให้คดาด่านันเนี่ยมาทิ่มแทงใจหลวงพ่อพุธเนี่ยภายหลังนี้ท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้นะว่าเป็นอาจารย์ท่านนะคนที่ด่าเราถ้าเราไปเอออห่หมกด้วยนะเราก็เกลียดเขาเห็นเขาเป็นศัตรู แต่ถ้าเราวางใจเป็นเช่นมีสตินะใจก็ไม่ทุกข์จำเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับโจรจันใดได้ไหมนะแม่บ้านซึ่งเป็นเจ้านายก็ดา่ดาดา่ดาด่าด่าแต่ทำไมเขาไม่ทุกข์นะเขายิ้มให้พนมมือด้วยแล้วก็บอกขอบคุณครับนะแต่ทำไมบางคนนะ เพียงแค่เพื่อนไม่กดไลค์ให้เนี่ยก็ทุกข์ละวนะมีบางคนนะโอ้ต้องเวลาโพสตอะไรขึ้นไปนี่จะต้องโทรไปบอกเพื่อนนะว่าช่วยกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยเนี่ยเพื่อนไม่กดไลค์ก็มันก็ไม่ทําให้เราทุกข์นะถ้าใจเราไม่ไปร่วมมือใช่เราไม่ไปคาดหวังไอ้ใจที่คาดหวังว่าเพื่อนต้องกดไลค์นี่แหละ มันทำให้ทุกข์เลยนะเมื่อเพื่อนไม่กดไลค์ให้มันต้องมีความคาดหวัมงมีความอยากก่อนหรือว่ามีความยึดมั่นถือมั่นนะรถติดเนี่ยนะไม่ทําให้เราทุกข์ใจได้ถ้ามันไม่มีความอยากจใจถึงไวๆนะถ้าไม่มีความอยากถึงไวๆรถติดยังไงใจก็ไม่ทุกข์นะ ให้ลองพิจารณาดูเถอะนะความทุกข์ใจทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนะกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคนโน้นคนนี้เท่านั้นนะ mm. เพื่อนจะพูดไม่เพราะนะแฟนจะไม่ดีกับเราหรือทิ้งเราไปได้วยซ้ำนะหรือว่าแดดร้อนเนี่ยไม่ทำให้ทุกข์ใจได้เลยนะถ้ า, าว่าเราวางใจไว้เป็น ผู้เจ้าจึางตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจนะใจถึงประเสริฐสุดทำทั้งหลายในที่นี้เนี่ยก็รวมถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์ด้วยนะความสุขความทุกข์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะมีอะไรนะถ้าได้กินอาหารอร่อยถ้าได้ฟังเพลงเพราะถ้าได้ไปเที่ยวห้างหรือมีโทรศัพท์นะมี iPad ดนะ หรือว่ามีกระเป๋าสวยๆถึงจะมีความสุขอันนั้นไม่ใช่เลยนะมันจะมีความสุขได้เนี่ต้องอาศัยอีกตัวหนึ่งก็ ค, คือใจและในธราการถึงแม้ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ไม่ทำให้ใหทุกได้นะถ้าใจเราไม่ร่วมมือเคยพาคนเดินนะเดินจงกรมถอดรองเท้าพื้นนี่ก็ไม่ใช่เป็นทางปูนนะอย่างที่นี่นะแต่ว่ามีกรวดมีหิน หลายคนเดินแล้วก็บอกว่าเจ็บเจ็บนะเจ็บจนทนไม่ได้อัตอมาก็บอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเจ็บเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บเท้าอย่างเดียวนะมันมีความทุกข์ใจด้วยมันมีความปวดใจด้วยแล้วความปวดใจนี่ก็แสดงออกมาด้วยความด้วยการเช่นโกรธนะด่าว่านะ ตีโพยตีพโอโอหลายคนก็ยอมรับนะเออใช่นะเวลาเดินมันไม่ได้ปวดทางแต่มันปวดใจด้วยแล้วก็เราจะถามเขาว่าทําไมถึงปวดใจในเมื่อโกรธนี่มันทิ่มแต่เท้าโกรธมันทิ่มใจเราหรือเปล่าก็เปล่าแล้วทําไมถึงทุกข์ใจปวดใจนะหรือเป็นข้อใจเราเนี่ยเราปล่อยให้โกวธมันทิ่มใจด้วย ถ้ารวดทิ่มแต่เท้าแต่ว่ารักษาใจไม่ให้รวดทิ่มเมื่อปวดไม่ทิ่มใจใจก็ไม่ทุกข์นะเรียกว่าปวดแต่กายนะใจปกติใจสงบเย็นหลายคนเนี่ยพอทำใจวางใจได้ถูกนะเออเรามีสติรักษาใจนะผ่านไปสองสามวันสี่วันที่สี่เนี่ยเดินได้บอกว่าความปวดมันทุเลาลง หลายคนก็บอกว่าความปวดก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจมันไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้ว่าปวดกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์แล้วเดินแบบนี้ก็เดินได้เรื่อยๆนะ น, นั้นแม้กระทั่งความปวดเนี่ยนะความปวดเนี่ยมันก็ทําอะไรใจเราไม่ได้นะถา้าใจเราไม่ร่วมมือหรือถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นเช่นมีสตินะรู้ทันนะ รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นรู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นไอ้โทสะหรือความโกรดนี่แหละที่มันทําให้ใจเป็นทุกข์เพราะมันเผาใจมันมีลักษณะเหมือนไฟที่เผาลนถ้าเราดับความโกรธในใจได้นะความทุกข์มันจะลดลงไปเยอะมันก็มีแต่ความทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าพราะอาศัยสตินะ มาช่วยดับความโกรธในใจแต่บางคึงก็จะอาศัยสมาธิก็ได้เด็กบางคนเนี่ยเดินพาเดินธรรมยาตราเนะเด็กเก้าขวบนะธรรมยาตรานี่เดินกันแดวันนะกลางแดดความขันนะประจําธรรมยาตราคือว่าร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นนะเหนื่อยแต่กายใจเบิกบานก็มีเด็ก ก้าขวบมากับแม่เดินอย่างเสียไม่ได้นะเดินไปก็บ่นไปเพราะมันทุกร้อนนะแต่พอได้ฟังเรื่องราวของอคนนั้นคนนี้ว่าเขาเดินยังไงเขาไม่ร้อนไม่ร้อนใจไม่ทุกข์ใจเด็กก็เริ่มนะคิดหาวิธีพอเดินไปได้วันที่สามนะก็มีคนไปถามว่าเป็นไงตอนนี้เหนื่อยไหม ทุกไหมเดยกบอกไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ทำไมถึงไม่เหนื่อยไม่ทุกข์เด็กก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามองขาคนข้างหน้านะเนี่ยเราขาเวลามองคนข้างหน้าเนี่ยก็คือใจจดจ่ออยู่กับเท้าของคนข้างหน้าขาของคนข้างหน้ามันก็ลืมลืมเจ็บลืมปวดลืมเมื่อยลืมเหนื่อยความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยนี่เป็นเรื่องของกายนะถ้าใจไม่ไปรับรู้มันก็ไม่ทุกข์ใจนะ แต่ว่าพอเอาใจแล้วเด็กก็มีความเดี๋ยวก็ฉลาดนะรู้ว่าเมื่อจิตไปจดจ่ออยู่กับขางคนข้างหน้ามันก็ลืมเจ็บลืมปวดกายยังปวดกายยังเมื่อยแต่ใจไม่ทุกข์ละเพราะใจมันไม่ไปรับรู้เด็กก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะให้จําให้แม่นนะว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าหากว่า ใจเราไม่ร่วมมือด้วยไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้าใจเราไม่ร่วมมือไม่มีใครทาให้เราทุกข์ได้นะถ้าใจเราไม่อนุญาตหรือเปิดช่องเปิดทางให้ใครเขาจะดา่าใครก็จะพูดอะไรกับเรานะเราไม่สนใจนะมันจะทุกข์ได้ไหมใครเขาจะพูดอะไรกับเรานะ ได้ยินแล้วก็วางจะทุกได้ไหมนะหรือว่าอาจจะมองได้ซ้เออมีประโยชน์นะไอ้คำพูดคำด่าเนี่ยความวิจารณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มาช่วยฝึกใจเราให้เข้มแข็งให้อดทนอย่างที่โจนจันได้เขามองว่าคำด่าของหัวหน้าเขาของแม่บ้านช่วยเขากลับมาดูใจของเขากลับมาจัด ก, การความโกรธ นะเหมือนกับเป็นการบ้านเพวัะนั้นเนี่ยเออดา่ดาด่าไปดา่าไปเขาก็ไม่โกรธนะเพราะว่ารู้สึกขอบคุณนะที่หันมาจัดได้ได้การบ้านนะมาฝึกจิตฝึกใจของตัวเองมองคนก็มองว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันมีประโยชน์นะทให้เรารู้ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง มีพวกเราคงรู้จักเมืองโบราณนะเจ้าของคนก่อนของเมืองโบราณเนี่ยคุณเล็กวิรเรยพันยังเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัภิมงคลนะวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัภิมงคลบางคนนี่เวลาถูกตำหนิจะรู้สึกว่าวันนั้นวันซวยนถะ้าคิดแบบนี้ใจทุกข์เลยนะแต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งว่าเออ ทำตำหนิมันช่วยทําให้เราเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้หรือทําให้เห็นว่าทําให้ไม่หลงตัวลืมตนเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นําเนี่ยมักจะมีคนชมจกนกระทั่งป่อยอสอพรอประจบก็ จ, จะหลงตัวลืมตนนึกว่าตัวเองเป็นเทวดาพอมีคนมาตําหนิเออมันช่วย ให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนนะเตือนใจตัวเองว่าเนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้คนที่คิดแบบนี้นี่จะรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะใครที่หลงตัวลืมตัวว่าเป็นเทวดาผิดพลาดไม่ได้นี่นะจะน่าระอามากนะจะน่าเบื่อมากเพราะว่าจะไม่ฟังคําพูดไม่ฟังเสียงใครเลยจริงๆคําตําหนิเนี่ยนะหรือคําต่อว่า มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าเรารู้จักมองอ่ะมันเหมือนกับหนามทุเรียนนะมันเหมือนกับทุเรียนเนี่ยไอค้คาต่อว่าด่าทอคำวิจารณ์เนี่ยเหมือนกับทุเรียนทุเรียนมีหนามแหลมคนบางคนพอเจอหนามทุเรียนเจ็บทำยังไงโยนทุเรียนทิ้งเลยนะมันเจ็บเนี่ยคนอย่างนี้ ง่หรือฉลาดนะแค่โดนน้ำทุเรียนทิปมือเอาโกรธโยนทุเรียนทิ้งไม่ฉลาดเนะเพราะว่าในทุเรียนเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยเน้นน้ำธุเรียนมันจะแหลมไงก็ตามเนี่ยเราต้องอย่าไปสนใจมปนมากเราก็ต้องปอกเปลือกเอาน้ำทุเรียนออกนะ เพื่อที่จะกินเนื้อที่อร่อยนี่คือวิสัยของคนฉลาดนะเพียงแค่เจอหนามทุเรียนทิ่มและทิ้งนี่มันไม่ฉลาดเลยคําตําหนิคําวิจารก็เหมือนกันนะแม้ว่าฟังทีแรกเนี่ยอาจจะเจ็บเพราะว่าไม่มีสตินะหรือปล่อยคาดหวังว่าเขาจะชมเราแต่พอเขาวิจารณ์ก็เลย แต่ว่าอย่าลืมนะว่าข้างในในคําวิจารณ์เนี่ยในคําท้วงติงหรือแม้แต่คําด่าว่านี่มันมันก็มีสาระที่พอจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็ น, น้อยเราต้องรู้จักมองทะลุนะเปลือกทุเรียนให้เห็นเนื้อไม่ใช่มองทุเรียนเดียวต้องเอาเนื้อมันออกมาด้วยให้ได้ฉะนั้นถ้ารู้จักมองแบบนี้เนี่ยนะคำวิจารณ์เนี่ยเราจะไม่ทุกข์เมื่อเจอมัน เราก็จะหาพิจารณามันมีประโยชน์อะไรบ้างไม่ว่าคํานั้นจะมาจากครูมาจากพ่อแม่มาจากเพื่อนมาจากรุ่นน้องนะนี่คือวิสัยคนฉลาดนะและถึงแม้ว่าจะมองหาสาระแล้วไม่ได้เลยเลยนะมันมีแต่คําดาวลุวน้ลนๆมีแต่คำหยาบคายมันก็ยังมีประโยชน์นะ เพราะมันทำให้เราได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครหนีคําตําหนิคํานินทาพ้นแม้แต่พระุทธเจ้านี่ก็หนีไม่พ้ น, นคําตําหนิเขาเรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมมีแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสารเสริญนินทาสุขและทุกข์ให้จำสี่ คู่แปดประการนี้ให้ดีนะเพราะว่าเราต้องเจอบ่อยถ้าเรามึดจากโลกธรรมแปนี่เราจะทุกข์ได้ง่ายนะเวลามีคนชมก็ปลืม้มใจฟูพอเขาไม่ชมเนะ่นะก็ผิดหวังเยยิ่งเขาด่าด้วยเนี่ยยิ่งนะเสียอกเสียใจนะร้องหวมร้องไห้อยากตายน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจแต่ถ้าเรา ตระหนักว่าเออมันเป็นธรรมดาโลกนะคนดีแค่ไหนก็ถูกนินทาแล้วเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจโลกธรรมแปดเด้อ่องไรก็จากการที่เจอของจริงนั่นแหละเจอคนวิจารณ์เจอคนด่าว่านะอันนี้เขากําลังแสดงทําให้เราเห็นนะว่านะไม่มีใครหนีคํานินทาพ้นไม่มีใครหนีคําต่อว่าด่าทอพ้นมันเป็นธรรมดาโลกเป็นเช่นนั้นเอง เมื่อเรามองแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ได้กำไรจากคำต่อว่าด่าทอคนเรานี่ต้องรู้จักหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ไม่ใช่หาประโยชน์เพื่อนปนเปลือกเล็ในทางตรงข้ามหาประโยชน์เพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ผ่องแผ้วให้สะอาดสดใสามากขึ้นและคาต่อว่าด่าทอก็มีประโยชน์ ความเจ็บความป่วยก็มีประโยชน์นะอาจารย์พุทธะบอกว่าป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะความป่วยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตมันมาเตือนให้เรารู้ว่าสังขารนี้ไม่แน่นอนและมันมาเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะว่าวันนี้ป่วยเท่านี้วันหน้าจะป่วยหนักกว่านี้เงินหายของหายก็มีประโยชน์นะเตือนให้เราไม่ประมาท เืนให้เราระมัดระวังและเตือนให้เราฝึกใจปล่อยวางด้วยเพราะว่าต่อไปเราจต้องเจอของหายอยู่เรื่อยๆไม่ใช่หายเดียวถูกขโมยด้วยถูกโกงด้วยถ้าเราทำใจไม่ได้กับโทรศัพท์ที่หายวันหน้าจะทำใจกับรถนะที่ถูกขโมยไปได้อย่างไรหรือว่าเงินแสาเงินล้านที่ถูกโกงหรือว่าสูญหายไปกับธุรกิจได้อย่างไรนะความพัดพลาดเป็นธรรมดา ถ้าเรารู้จักเรียนรู้นะจากมันเราก็ได้ประโยชน์นะมีภูมิคุ้มกันเราต้องมีภูมิคุ้มกันใจนะไม่ใช่ภูมิคุ้มกันร่างกายอย่างเดียวสติเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันกจิตใจที่ทําให้เราไม่ทุกข์เมือ่อไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบก็ตามนะนการรักษาใจที่พวกเรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยมันนะจะถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันสําคัญมากทีเดียวนะให้มันพยายามให้มันเพียรทํา นะมันจะช่วยเราได้ทั้งในวันนี้และวันหน้าอาล่ะชาวนี้พูดกันเท่านี้สพระ